ปัจจัยเช่นนี้จะมีอิทธิพลต่อการที่เราถามคำถามเกี่ยวกับอนาคตของเราหรือไม่วิทยาศาสตร์จะถูะอครอบนำหรือชี้นำโดยปัจจัยทางสังคมหรือการเมืองหรือเปล่านักนิยมแห่งมหาวิทยาลัย อ, ออกฟอร์ดประเทศอังกฤษอธิบายว่าปัจจัยทางสังคมเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อความคิดเรื่องวันโลกแต่ของชาวอียิปต์โบราณอย่างไร was the Egypt the ชาวอียิปต์โบราณตอนนั้นเชื่อว่าวิหารของอียิปต์เป็นสถานที่ป้องกันไม่ให้เอกภพล่มสลายนะคะถ้าทำพิธีกรรมบวงสวงอย่างถูกต้องในวิหารเหล่านี้แล้ว oh. พระเจ้าก็จะไม่ทอดทิ้งมนุษย์โลกจะไม่ถึงจุดอวสานแต่ในเวลาต่อมาประมาณพันปีก่อนคริสตกาล เมื่ออียิปถูกโจมตีอย่างหนักจากจากักรวรรดิต่างๆที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาในช่วงนั้นอย่างเช่นจกักรวรรดิแอสซีเรียนหรือว่าจากักรวรรดิเปอร์เชียนชาวอียิปต์ก็รู้สึกว่าโลกหรือว่าเอกภพเริ่มใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของวงจรในวัฏจักรเข้ามาทุกทีชาวอียิปต์จึงยิ่งเพิ่มความพยายามในพิธีกรรมต่างๆมากขึ้นไปอีกเพื่อที่จะพยายามยับยั้งจุดจบที่คืบคลานเข้ามาโดยพยายามทำลายพลังความยุ่งเหยิงที่เป็นต้นเหตุของจุดจบแล้วก็เสริมพลังแห่งความเป็นระเบียบเเพพื่่่่ออออทีจะะตายุกค มีพิธีกรรมหลายแบบด้วยกันนะคะอย่างเช่นสร้างแบบจำลองของสัตว์ประหลาดตัวแทนความยุ่งเหยิงแล้วก็ทำลายแบบจำลองนี้โดยการจ้วงแทงกระทืบหรือว่าเอาไปเผาแล้วก็เอาเท่าฐานที่เหลือเนี่ยไปแช่ในน้ำปัสสวะเปนต้น อธิบายไม่ได้เลยนะครับเมื่อคุณพยายามเข้าใจเอกภพคุณพยายามอธิบายและใช้การเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณเข้าใจได้มีส่วนที่เป็นความเชื่อของตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในทางวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันครับนักวิทยาศาสตร์ในอดีตประมาณ50กว่าปีก่อนก็เหมือนกันมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อพิจารณาเรื่องวันโลกแตกเรื่องจุดจบของเอกภพอย่างเช่นในตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์หลายคนคิดว่าความคิดเรื่อง Big Bang นั้นเป็นเรื่องเหลวไหลเพราะมันไปคล้องจองเกี่ยวกับเรื่องพระผู้สร้างในทางศาสนาคริส ที่พระชาเป็นผู้ให้กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาจนเกินไปนะครับในสมัยนั้นมีทฤษฎีสภาวะคงที่ที่ว่ากาแล็กซีนั้นเกิดและดับไปได้ดวงดาวเกิดขึ้นมาแล้วสูญสลายไปได้แต่โดยรวมแล้วเอกภพจะยังคงเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกาแล็กซีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปแต่ตัวเอกภพนั้นเป็นนมธรมศาสตราจารย์เซอร์มาตินรีสนักดาราศาสตร์หลวงของประเทศอังกฤษและศาสตราจารย์ทางด้านดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อธิบายว่า สมัยนักฟิสิก์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นอย่างศาสตราจารย์เฟรดฮอยที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ถึงไม่เชื่อในทฤษฎีบิ๊กแบงแต่เห็นด้วยกับทฤษฎีสภาวะคงที่นักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมั่นในทฤษฎีสภาวะคงที่อย่างเฟร็ดฮอยนั้นเชื่อว่าเอกภพไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบแต่อยู่ในสถานะคงที่ ซึ่งเป็นความคิดที่น่าสนใจในทางเทวศาสตร์ในสมัยนั้นมากนะครับเพราะว่าถ้าทฤษฎีสภาวะคงที่นี้ถูกต้องกระบวนการทุกกระบวนการและปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในเอกภพจะกําลังเกิดขึ้นในส่วนอื่นๆของเอกภพในตอนนี้ด้วยและจะทําให้เราสามารถสังเกตและศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้ได้ถึงไม่น่าสงสัยเลยนะครับว่าทําไมนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นถึงนิยมทฤษฎีสภาวะคงที่ นักวิทยาศาสตร์่วนใหญ่ไม่เชื่อความคิดทงางศาสนาที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาและทฤษฎีสภาวะคงที่ก็แสดงเห็นชัดๆว่าไม่มีพระเจ้ามาสร้างเอกภพขึ้นมานอกจากนี้ในด้านวิทยาศาสตร์และทฤษฎีนี้ยังทําให้อธิบายและสังเกตปรากฏการณ์อื่นๆในง่ายขึ้นด้วยจนกระทั่งต่อมามีหลักฐานมายืนยันทฤษฎีบิดแบ่งมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์จรึงละทิ้งทฤษฎีโปรดของตัวเองและหันมาเชื่อในทฤษฎีบิดแบ่งแทนทั้งๆที่ขั ด, ดกับความเชื่อส่วนตัวของบางคนนะครับ ความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับจุดจบของเอกภพและทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเรื่อยๆนะครับบางทฤษฎีก็แทบจะไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวอย่างการดูดออกมาจากนิยายวิทยาศาสตร์เลยแต่ก็ยังเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือนะครับอย่างทีศาสตราจารย์มาร์คแบกินชอผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์อวกาศที่มหาวิทยาลัยบริสตอลประเทศอังกฤษเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอันตรายของการเปลี่ยนแปลงระดับควอนตัมซึ่งเป็นระดับที่เล็กกว่าตอมของอวกาศในเอกภพ otic and เมื่อเอกภพก่อตัวขึ้นมาเนี่นะครับมันก่อตัวขึ้นมาจากโครงสร้างที่อยู่ในภาวะยุ่งเหยิงเป็นอย่างมากและส่วนต่างๆของ Big Bang ตอนที่เอกภพเริ่มกำเนิดขึ้นมานี่ก็ไม่ได้สมบูรณ์ไปทั้งหมดแต่ว่าก่อตัวขึ้นมาในรูปแบบต่างๆเป็นส่วนส่วนไม่เหมือนกันสมมติว่าส่วนหนึ่งเป็นฝ่ายน้ําเงินอีกส่วนเป็นฝ่ายแดง2ฝ่ายก็จะต่อต้านกันและกันนะครับไม่ได้กลมเกลืนกันแต่ละส่วนก็มีสนามพลังเป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนกันด้วย และพลังงานส่วนต่างนี้ก็มีขนาดมหึมาด้วยพลังงานแบบนี้นี่เองที่อาจจะเป็นต้นแห่ของความหายนั้ก็ได้ อีกทฤษฎีหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ที่มีผู้คนจำนวนมอยชอบที่จะเชื่อเพราะทำให้สบายใจดีนะครับไม่ต้องวิตกมากมายก็คือความคิดเกี่ยวกับ m u l t i เพิล e ูนิเวอหรืออาจจะเรียกว่า m u l ติ v e r s e ถ้าจะแปลเป็นไทยก็คงเป็นอนเอกภพคือแทนที่เราจะมีแค่เอกภพเดียวหรือ Universe กลับมีหลายๆเอกภพรวมอยู่ด้กันอันหนึ่งล่มสลายไปก็ยังมีอันอื่นเหลืออยู่ศาสตราจารย์เซอร์มาจินรีสให้ความเห็นกับ Let มีหลายทฤษฎี <What? S 1> ด้วยกันนะครับที่กล่าวถึง multiple u n i v e r s e บางทฤษฎีก็คล้ายๆกับทฤษฎีสภาวะคงที่โดยพิจารณาในระดับใหญ่ขึ้นเอกภพครอบคลุมหมดทุกสิ่งทุกอย่างและอยู่ในสภาวะคงที่มีปรากฏการณ์บิ๊กแบงเกิดขึ้นหลายๆแห่งกลายเป็นเอกภพย่อยๆในเอกภพใหญ่อีกทีนึง ส่วนอีกทฤษฎีก็เสนอว่ามีเอกภพอยู่อีกหลายๆเอกภพแต่อยู่ในมิติอื่นที่เรารับรู้ไม่ได้เป็นต้นครับวแต่ว่าท่านผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าเราจะรู้ไปทำไมว่าเอกภพจะมีจุดจบยังไงจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเรามั่งเซอร์มาตันรีสก็ให้ความเห็นวับสิ่งที่เราทำในฐานะนักจั ก, กรวาลวิทยาก็เหมือนกับที่ชาลส์ดาวินทาในสมัยก่อนนะครับ งานของดาวินเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการอาจจะไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติโดยตรงอย่างชัดเจนแต่มันทำให้เรารู้สถานะของเราในธรรมชาติในโลกนี้พวกเรานักดาราศาสตร์นักจักรวาลวิทยาก็เป็นเช่นเดียวกันครับ กระพบกับคุณสิมันทระคุณวิตนะครับนั่นก็เป็นตรึงราวที่น่าสใจทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เรานำมาเสกทะลปะากันเป็นประจับในช่วงสุดท้ายของของฝัง